ขึ้นเวทนานุปัสจนาสติปัฏฐานข้อที่สองนี่นะค่อนข้างจะไปหลายๆเรื่องเนี่ยตอนเนี้มีข้อมูลเยอะพรมีข้อมูลเยอะก็เลยไปเลยตอนนี้เดี๋ยวไปตามความเข้าใจในรายละเอียดของเวทนานะเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเออในเวทนานุปัจจนากรรมฐานเนี่ยถ้าถามว่าที่เราศึกษาเวทนานุปัสจนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นโรคกรรมฐานหรือเป็นอรมณกรรมฐานฮนะ เป็นรูปกรม ร, ออ ร, ปกรมฐานหรืออรูปกรรมฐานเปิดตรงนี้สึเปิดได้ <_ d ata> เป็นอารูปกรมนะกรมฐานนะกรรมฐานที่เป็นนามไงใช่ไกรรมฐานที่เป็นนามที่เป็นนามมาทำเป็นอารมณ์เนะืชนิดหนึ่งในบรรดารูปกรรมฐานสามอย่างอารูปกรรมฐานมีสามอย่างนะคือปัสสานุปัสสนาคือการพิจารณาผัตส์ <_ d ata> เวทนานุปัสสนาคือพิจารณาเวทนา แล้วก็จิตตานุปัสสนาก็คือไปพิจารณาจิตฉะนั้น้าบอกว่าอโรคกรรมฐานล้วนๆเลยนี่นะในทีคันนิกายในอัตถกถาเนี่ยท่านแยกไว้เป็นสามัสานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแล้วก็จิตตานุปัสสนานี่เป็นอย่างนี้น ะ, ะ ก, ก, ก็ต้องแยกก็ต้องแยกนะ ซึ่งในที่นี้พระพุทธองค์ทรงเลือกเอาเวทนามาเป็นแบบหรือเป็นตัวอย่างของธรรมโดยไม่เลือกเอาภาษาหรือธรรมอื่นเช่นสัญญาเจตนามาเป็นอารมณ์ให้ผู้ปฏิบัติท่านกำหนดอันนี้สำคัญนะให้พิจารณาดูนะว่าถามว่าภาษาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้ไหมได้ไม่ได้สัญญาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้เป็นขันธ์ไง ภาษาก็เป็นสังขารขันสัญญาก็เป็นสัญญาขันเจตนาละ่ะเจตนาก็เป็นสังขารขันแต่พระองค์ไม่นํามาเป็นอารมณ์ให้กับผู้ปฏิบัติกําหนดพิจารณาเพระาะทมเหล่านั้น่ะในที่นี้ไม่ปรากฏชัดเหมือนกับเวทนานะท่า น, นบอกไม่ปรากฏชัดแต่จริงๆไม่ใช่ว่ากำหนดไม่ได้กําหนดได้เดี๋ยวไปหมวดของทำมานุปัสสนาท่านก็จะไปสอนนี่นะทีนี้ส่วนสุขเวทนาทุกเวทนา ท่านบอกว่าปรากฏชัดเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ร่างกายของผู้นั้นเกิดความหวั่นไหวจนบางครั้งก็ต้องออกปากูด อ, อกมาโอ้ยเจ็บจริงโ้ยสุกจริงโวยเป็นต้นเหรอเนี้ยนะอันนั้นบ่งบอกว่าตัวเวทนาเนี่ปรากฏชัดดังนั้นพระองค์ก็เอามาอสอนสวนอุเบขาเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาที่ไม่ค่อยปรากฏเหมือนสุขกับทุกข์เห็นได้ยากก็ต้องมีวิธีสังเกตเนาะพระอาจจกถาท่านก็ อธิบายไว้เดี๋ยวต่อไปไท้ายๆเนี่ยในสูตรนี้ก็เในสูตรที่เราจะศึกษากันมาเนี่ยก็จะไปหยิบมาในสักการบรรหาสูตรมาเป็นหลักให้เราทั้งหลายได้พิจารณากันในทีคัิกายเนะอัจฉริยะก็ยกมาเนี่ยในนี้ก็มีในชีตในเอกสารที่แจกไปให้เนี่ยอันนี้บอกคร่าวๆก่อ น, ก, อนก่อนที่จะเข้าไปศึกษากันนะทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยทรงสแสดงจำแนกกายานุปัสสนาที่เราศึกษากันมาแล้วใช่ไหม กายานุปัสสนาเนี่ยเราศึกษากันมาแล้วคือสิบสี่บับเริ่มตั้งแต่อาณาปานะบับใช่ไหมเราศึกษากันมาแล้วเนาะอยาบทบับสัมปชัญญะบับปฏิโูลมรสิการบับแล้วก็ทาตูมรสิการบับป่าใช่เก้ายอย่างรวมเป็นสิบสี่บับพิจารณาศึกษากันมากระท่อนกระแท่นบางทีก็ละเอียดบางพิศดานบางเนี่ยนะหรือว่าบางทีก็เยอะย่อบางก็สรุปแล้วก็จบตอนนี้ก็จะเริ่มศึกษาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเก้าอย่างที่บอกกระฐันจับ กระสันจากปณะพิเวเป็นต้นแหรอเนี่ยหลักการเจริญเวทนาเก้าอย่างก็ประกอบไปด้วยพิจารณาสุขเวทนาสติสัมปชัญญะกพ็พิจารณาทุกขเวทนาพิจารณาเวิขาเวทนายังมงสี่แล้วเนาะห้าก็พิจารณาเลยห้าอะไรสี่พิจารณาสามิสุขเขาเรียกสามิสุขก็คือเวทนาที่อิงอมิสเนี่ยสุขเวทนาที่อิงอมิสแล้วก็นิรามิสุขก็สุขเวทนาที่ไม่ยิงอมิส แล้วก็พิจารณาสามิทุกทุกเวทนาที่อิงามิตรแล้วก็พิจารณาอะไรกันนิรามิตรทุกก็คือเวทนาที่ไม่อิงามิตรนะนะแล้วก็พิจารณาเลยอ่ะอุทุกขมาสุคืออเบขาเวทนานั่นแหละแล้วก็พิจารณาเบขานะัหนึ่งนะเวขามีามิตทเบขาไม่มีามิรนะ่ะจนเก้าอีกในหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงสแสดงกรรมฐานที่เป็นฝ่ายรูปแล้วบัดนี้จะทรงสแสดงกรรมฐานที่เป็นฝ่ายนามก็ได้ยกเอเวทนาเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏชัดกว่านามธรรมอื่นๆมาสแสดงเป็นเวทนากรรมฐานในฐานะตัวแทนของกรรมฐานฝ่ายที่เป็นนามท่านก็ใช้ข้อความที่เราบอกว่กากรรมานจะปันญาพิคเวพิกขูเป็นต้นที่เราว่ากันเนี่ยนะว่าโดยอาการก้าอย่างนั่นแหละอันหนึ่งอาศัยหลักการจำแนกกรรมฐานาเรียกกรรมานมรร ที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในสักกะปัญหาสูตรเดี๋ยวต่อไปจะมานำมากล่าวอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยก็ได้ทราบว่าในสติปัฏฐานสูตรนี้พุทธองค์ได้ทรงจาแนกกรรมฐานไว้สองประเภทประเภทแรกเขาเรารูปกรรมฐานคือกรรมฐานฝ่ายรูปได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานประเภทที่สองอรูปกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นฝ่ายนามคือเวทนานุปนัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนานี่เป็นทั้งรูปและทั้งนามนะ จำแนกรูปกรรมฐานไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ย้อนมาจำแนกอรูปกรรมฐานก็ยกเวทนาขึ้นมาเป็นอันดับแรกของอรูปกรรมฐานเหล่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์ทรงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะโดยมีเวทนามาปิดมาเป็นอารมณ์เนี่ยบอกว่าเวทนาในปรากฏชัดในบรรดารูปธรรมนั้นๆพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงรูปกรรมฐานที่ในเบื้องต้นน่ยนะแล้วก็มาแสดงรูปกรรมฐานในเวทนาเนี่ย ในมหาสติปัฏฐานในที่เนี้ถามว่าพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานที่พระองค์ทรงสแสดงเนีในเรื่องของโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยมีหลายสูตรเช่นในสติปัฏฐานสูตรนี่ก็แสดงนะมีเวทนาเอ า, ารูปกรรมฐานมาแสดงในส ก, กะปัญหาสูตรก็นําเวทนามาแสดงก็ไอสูตรไหนที่จําเป็นอาตมาก็จะพยายามเอามานะเอามาเอามาต่อเอามาเพื่อเพื่อให้ เพื่อเห็นมุมได้กว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นและจะได้ไม่เป็นภาระแก่พวกเราอยู่ไหมการศึกษาเนี่ยถ้าเรามองมองว่าไตรปิฎกได้ได้มากมากและได้กว้างขึ้นเราก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงยกกรรมฐานคือรูปกรรมฐานที่ปรกากฏเนี่ยนอกจากในสติปัฏฐานแล้วก็ยังมีสักกาปัญหาสูตรในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีสองสองเอ็ีิยยะญ่อยู่สองจุดเนะเาะมี สัก่ในทีคณิกายนี่เขาเรียกมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าในที่เนี้ยที่ไปสีหลอกออกมาแล้วก็ไปทําแล้วไปขยายจากในสูตรอื่นมาด้วยอันนี้เอามาจากมัชชิมะนิกายในโมูลปัณธาในสูตรที่สิบอันนี้คือเวรนาเนี่ยนะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรในทีคณิกายก็มีในมัชชิมะนิกายก็ดีถ้าในภาพวิธรรมก็มีนะในอสติปัฏฐานวิพังในิพังกรรมกรก็มีในภาพวิธรรมมีดอกนะแล้วก็ใน จุลตันหาสังคยสูตรมหาตันหาสังคยสูตรจุฬเวธันรสูตรมหาเวธันลสูตรลัทธปารสูตรมาคันธิยสูตรธาตุวิพังประสูต ร, ต ร, ตรแล้วก็ในประสูตรที่อยู่ในเวทนาสัมยุทธทั้งหมดเลยใช่ไหมในเล่มเนี้ยในเล่มนี้นนที่สัมยุทธในสละยเวนาวักเนี่ยวันนี้ก่อนมาเดี๋ยวโอ้เอื่อนไม่ไม่พอไม่พอต่อเวมันแต่การศึกษาเนี่ยโอโ้เวทนามากมายอย่างเงี้เลยนะแล้ศึกษารายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วน่าศึกษามาก เรื่องเวทนาเนี่ยนะเรานึกว่าเออเวทนาเนี่ยเอ่อเป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้แล้วแต่ที่ไหนได้นะพอศึกษาไปแล้วเนี่ยเออเราไม่รู้จะกําหนดยังไงใช่ไหมพอเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้จะเจริญสติปัฏฐานในการกําหนดเวทนายังไงใช่ไหมแต่ทั้งที่เวทนาเนี่ยเกิดขึ้นกับทั้าทุกคนแหละโดยเฉพาะทุกเวทนาสุกเวทนาศาตร์ทั้งหลายร้องออกปากกันทั้งนั้นเลยสุกจริงโวยทุกจิงโวยเนี่ยแต่เวขาก็เงียบเียบเฉยเใช่ไหมทีนี้ ถ้าสุกเยุเวทนาเนี่ยนะหมายเอาสุขทางกายแล้วก็ทางใจสุขทางกายเขาเรียกว่ากายยิ่กสุขส่วนสุขทางใจเรียกว่าเจดสิกสุขนะแม้ในกรณีทุกขเวทนาและเวขาเวทนาก็คุณทราบมีทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันนะฉะนั้นการกําหนดสุขเวทนาทุกเวทนาเวขาเวทนาเราไม่ใช่เป็นการรู้แบบเด็กหรือไม่ใช่รู้แบบชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างนั้น ผู้ปฏิบัติในการรู้เนี่ยเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นสติปะประธานภาวนานั้นท่านก็กล่าวไว้ดังที่ยกตัวอย่างอันนั้นคือเกี่ยวกับในเรื่องของเวทนาในหลายลเรื่องตรงนี้นะทีนี้ในเรื่องของเวทนาอย่างก็คือโดยเฉพาะการรู้ในเรื่องของเวทนาเนี่ยการรู้ในเรื่องเวทนาเวทนาที่ที่กําหนดค่อนข้างได้ยากหน่อยคืออุเบกขา ใช่ไหมเวขาเวทนาเดี๋ยวท่านจะบอกรายละเอียดว่าเออมันรายละเอียดยังไงมันถึงกำหนดได้ยากเอาดูรายละเอียดต่อไปนะดูรายละเอียดต่อไปบอกว่าเพราะเกี่ยวกับกรรมฐานสองอย่างพระพุทธเจ้าขัตรัสอารูปกรรมฐานคือกายานุปัสนาด้วยการอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อจะตรัสบอกอรูปกรรมฐานจึงได้ตรัสบอกด้วยหน้าแพีงเวทนานะมีสองอย่างคือรูปกรรมฐานและรูปกรรมฐานรูปกรรมฐานก็เรียกว่ารูปปริคากาคือการกําหนดรูปกมีกายานุปัสนาดย่างที่บอกเนี่ย ทีนี้ในรูปกรรมฐานในรูปกรรมฐานเนี่ยนะบรรดารูปกรรมฐานและรูปกรรมฐานนั้นพุทธเจ้าจะตรัสบอกรูปกรรมฐานจริงตรัสจะจู่ธาตุวัาาตุนันเป็การกําหนดธาตุสี่ไว้ด้วยอํานาจแห่งมนุษสิการโดยสังเขปบ้างโดยอํานาจแห่ง ก, การมนุษสิ ก, การโดยพิสดา ร, ร, รบ้างนี่เราเรียนมาแล้วเนาะกรรมฐานทั้งสองอย่างนั้นได้แสดงไว้แล้วในคัมภี์วิสุทธิมรักนี่เราก็ได้ศึกษากันมาแล้วธาตุกรรมฐานขั้งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างละเอียดนะนะ อาจจะมีโดดข้ามบ้างที่เห็นว่ามันจะยุ่งยากก็พยายามตัดตัด ต, ดตดออกไปนะก็เอาไว้ว่าเออต่อไปพวกเราแข็งแรงกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมีโอกาสไปคน้นก็ไม่ยากแล้วเขาเรียกมีฐานแล้วใช่ไหมต่อไปพอมีฐานจากการฟังว่าทาเป็นอย่างดีแล้วเวลาไปค้นนี่ก็โอ้ยสบายมากเล ย, ยนี้ทีนี้อารมณกรรมฐานที่ได้กล่าวไว้สักครู่นี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสบอกอรูปกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นนามโดยมากก็จะตรัสบอกเริ่มหน้าเพียงเวทนาเพราะว่าความฝังใจ แต่ได้ใหญอย่างใ น, นคําว่าอภินิเวเนี่ผูกใจก็ได้ฝังใจก็ได้นะอภินิเวศเนี่ยรูปกรรมฐานสามอย่างคือด้วยสา ม, มารถในผัสสะผัสสะในที่นั้นก็คือผัสสะนุปัสนาคือปัญญาที่ไปพิจารณาผัสสะนะผัสสะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ไม่ได้ใช่ไหมได้หมดแหละปฏิจจะเป็นอารมณ์ของตัปนาได้หมดไหยอวิชชาเป็นได้ไม่ได้ อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสารายะตนาผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภาวะชาติชรามโมระเป็นอารมณ์พุทธนาได้หมดใช่ไหมพ่อเขาบอกอารมณ์ของวิปัสสนาวิเยอะในขันห้าอายะตน า, 12, า 18, สิบสองธาตุสิบแปดสัจจะสีอินทรีย์ยีิบสองปฏิจจสุบาทอริยสัจสเป็นอารมณ์พุทธนาได้หมดเลยใช่ั้มตรงนี้เพียงยกม า, าคร่าวๆเห็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างกังนเองผัสษานุปสรรค ปัญญาที่วิจารณาถึงภาษาจักขู่สัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายยะสัมผัสสะแล้วก็มโนสัมผัสสะนั้นภาษาทางตาภาษะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอาศัยตาและรูปเกิดจักขูวิญญาณกายประชุมของทำสามประการเป็นภาษาเห็นไหมอาศัยหูและเสียงอาจอาศัยหูและเสียงเกิดโสตตวิญญาณการประชุมของทำสามประการเป็น ผาสสะอาศาัยจมูกและกลิ่นเป็นปัจจัยเกิดคานวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นคานสัมผัสสะอาศัยลิ้นและรสเมด้เกี้ใช่ไหมเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเมื่อกี้ผัสสเป็นปัจจัยเกิดอะไรไม่ใช่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่กินอาหารเมื่อกี้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาพราะสุขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดอะไร สารหาเรียบร้อยไปแล้วเป็เรียบร้อยไปแล้วนี่สร้างเรือนกันต่อไปการหาที่สร้างเดียนเห็นทยากเมื่อกี้กําหนดได้กี่ข้อก็ไม่รู้เสียงคุยลั่นเลยโยมสมานคุยเรียบร้อยเสร็จาจริงไหมเนี่ยภาษาเนี่กําหนดได้เงี้ยอาศัยอาศัยลิ้นนะอาศัยรถก็ชิวหาวิญญาณนะพร้อมประชุมกันตามสามการประชุมกัน ใช่ไหมปกติมีลิ้นอย่างเดียวไม่เป็นไรไหมก็เอารสมาแปะเข้าไปเพราะเอารสมาแปะที่ที่ลิ้นปุ๊บไอ้ชิวหาวยาก็เกิดพอชิวหาวิญญาณมันผัดซ่าพอไปชมปุ๊บเนี่ยวันเป็นทิจังแห่งสุขเน่ะโอ้อร่อยเนี่ยสุขเวทนาพอสุขเวทนาตันหายเกินอูอ้ดีเกินอุปท า, านอย่างนี้สินแน่เดี่ยเอาใหม่เอาอีกนะยืดมันเลยทีอุปท า, านเกิดอุปทานเป็นไรเป็นกายกรรมไหมกายกรรมนาะ<ห> กายกรรมวัจีกรรมก็พูดใจแล้วชื่นใจพูดแล้วอื่นนี่แหละแปลว่าหน้าตาสดชื่นแล้วแต่วันนี้นะกายกรรมมนโนกรรมก็โอ้โคุ้นอยู่นะเข้ากายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยเป็นบาปแหมเรียนสติปัฏฐานแท้ๆให้บาปเล่นงานซะอีกแล้วเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่น้ออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่กําหนดภาษาก็ได้ใช่ไหมภาษากําหนดเวรนาก็ได้ กำหนดตั้นหาก็ได้กำหนดอุบาทานก็ได้กำหนดว่ากรรมก็ได้ตอนนี้กําลังทํากายกรรมวิญกรรมมโนกรรมนี่กำลังทำเพ ร, ร, ร, ราะกรรมก็เป็นปจัจัยอะไรทีนี้กรรมวะชาติเเดี่ยเตรียมเกิดต่อไปที่สร้างขันต่อไปเนี่จะเป็นอย่างเงี้ยนะนั่นวัตตะมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยความเกิดขึ้นเงี้กองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้คนบางคนก็เป็นเ้าไงมะอาศัยลิ้นและรสใช่ไหม ก็ชีวหาวิญญาณในการประชุมเขาทำสามการเป็นภาษาใช่ไหมเขารู้เนี่ยภาษาเป็นิจตั้งอ่งสุขเขารู้เขากําหนดก่อนแล้วกําหนดภาษากาหนดสุขเวทนาเออนี่สุขเวทนาอิงคตนี้ก็มันจะอิงกรรมคุณเนี่ยเดียไม่ได้ต้องกําหนดพิจารณาเนี่ยอาะพิจารณายังไงอ่ะเออปฏิสังขารโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวนี่เรายอมพิจารณาแล้วจินหาน่ะนะบอกว่าไม่ใช่เพื่ออะไะ ไม่ใช่เพื่อความหิวแลยเนาะไม่ใช่เพื่อความสังหายเพื่อให้เกิดวัวมัวเมาเมาเกิดกําลังพลังทางกายแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเราพิจารณาก่อนไขควรก่อนนะไม่ใช่กินไปโอ้โหอร่อยพี่ารณาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมก็พิจารณาจนรอบครอบเ ข, บขาทาปริญญาจนโอ้โหจนชัดเจนแล้วประเภทที่มันเหมือนนักมวยจะขึ้ น, นชกไม่โอ้ยเขาสมับทชานานแล้วนักล้องก็จะขึ้นล้อนี่ไม่ใช่ขึ้นไ ป, ไปหัดร้องบนเวทีเข้าใจยัง เกินไปไปหัดร้อีกคนฟัง่นหลงผ่านอันนั้นอันนี้เหมือนกันที่จริงว่าคณะปฏิบัติเขาจะต้องไข่ควรฝึกขัดทํานานสูตรจะจนแม่นยำผู้วิะารณ์ประสิทธิ์ตลอดเลยอาศัยริ้นแร่รถเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภัษาหนี่มาแล้วภาษานุปัสนาได้ไหมเนี่ยภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนานุปัสนาตั้งทำนี่ย่งเวทนาเป็นปัจจัยกัตตาหาเอาตัณหาเกิด แล้วก็พิจารณาเนี่ยว่าเออไม่ได้เป็นไปเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายนะ่ะเออหรือว่ากำมานึกยังไงรู้ไหมไอเตโชาธ า, า, ชา ต, าาต์เนี่ยก็เรียกปลาจิกาเตโชไอปลาจิกาเตโชนี่นเตโชเนีม่มันเกิดจะกลมใช่ไหมมันเกิดจะกลมเนี่ยมันมีหน้าที่ยึดกระเพาะเราเวลามันเกิดความหิวความต่งางๆมามันก็มายึดตูมมือมันบีบรัดกระเพาะหิวปวดท้องนะมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยขึ้นมาอา้าวเราทํายังไงดีนะเนี่ย พอเจอเหตุการณอย่างนี้เบ็ดสร็จแล้วก็ต้องไปหาอาหารนะไปหาอาหารมาแล้วก็มาใส่พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะละจากการบีบรัดกระเพาะก็มามามาเล่นงานกับมาเล่นอาหารกับอาหารแทนแล้วก็สบายี่ไม่ถูกอะไรยึดนะน่ะมเหมือนอะไรก็บอกเหมือนยักษ์เหมือนลากสดโดนจับมัดเขาไว้พอโดนจับมัดเขาไว้มันก็ออกไปหากินมนุษย์ไม่ได้ปกติมันจะไปจับมนุษย์กินนะนะ มันก็แกล้งร้องเป็นเสียงหญิงแกล้งร้องเป็นเสียงให้คนช่วยอะไรก็แล้วแต่มนุษย์เดินไปใลกล้ๆได้ยินเออมีคนร้องขอความช่วยเหลือไปใกล้ๆมันก็จับกินพอมันเกะกินปั๊บมันอิ่มมันก็สบายก็ไม่ร้องแล้ก็อย่างเงี้ยนะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนอย่างเงี้ยไอตัวปลาจิกาเตโชเหมือนยักษ์มันคอยจับมนุษย์ที่หลงไม่รู้เรื่องคอยกินคอยกินแล้วก็เป็นท่ามันอยู่เงี้ยเป็นท่าอะไรเป็นท่าปลาจิกาเตโช ใช่ไหมเป็นธาตของเป็นเป็นเป็นทาตของธาตุไฟอ่ะธาตุไฟชนิดหนึ่งที่มันก่อจักรรมมัน violence, ah ได้เวลาก็มาเผากระเพาะได้เวลาก็มาเผากระเพาะแล้วก็โอ้ยไม่ไหวร้อนเนี่ยตอนนี้ร้อนกระเพาะขอห hmm. yeah. น้านเลยดื่มเข้าไปอ้าวคลายตัวเอ้าขอโอเลี่ยงนวลตินแล้วเนอดื่มไปคลายตัวชีวิตก็เป็นทาตอยู่อย่างนี้โอ้ยต่อไปเราไม่เป็นทาตแล้วขอเป็นทาตของพระพุทธเจ้าดีกว่าน้อเลย่อเริ่มข้าพเจ้าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระธรรผสม ไ ม, Nokia, ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเป็นธาตุของดินน้าไฟลมยังไม่เอาแล้วน่าเบื่อมากเป็นธาตุของรูปขันน <zers> ้ำขันไม่ไหวแล้วแต่ตายมาก็ต้องเอาแบกมาบริหารต้องดูแลประคับประงมในส่วนจริงแล้วก็ถูกมันฆ่าตายยังไงยังไงก็ถูกมันฆ่าตายยุเอะตนาขันฆ่าตายก็มีสัญญาขันฆ่าตายก็มีวิญญาณขันสังขานขันรูปขันฆ่าตายหรือมันฆ่ากระเอ้งบ้างในส่วนจริงก็ฆ่าตายแล้วตายลราตายแล้วตายเราเนี้ยน่าเบื่อนะพิจารณาอย่างนี้ก็โอ้ยต่อไปไม่กินด้วยตัญหาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็พิจารณาไข้ควรพอไปไหวไหมเอาลูกก็มาถามพอไหวนะก็พิจารณาในลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้นะชีวิตถ้าไม่ไข่ควรไม่พิจารณ า, าจริงก็จะตกเป็นธานี้จริงไหมยามทุบานหัวจริงก็เป็นทา่าแล้วเป็นมานานแล้วในหลายข้อชาติเราก็เป็นกันอย่างนี้เลี้ยงเขามาตลอดเลี้ยงเขาดูแลเขาประคบประหงมเข า, าเอาใจเขาขนาดนี้นะเอาใจเขาขนาดนี้เลยแหละเขาหิวเขาลี้อยากกินอะไรตามใจด้วยเนาะ ตามใจแล้วเข้าแล้เข้าแลก็พอไปๆมาเขาเขาไม่ยอมอยากกินแล้วไม่หิวทัแล้วพอป่วยใกล้ตายลงกินนี้ไม่แม่กินนี้มไม่ไไมไไมยากกินนี้ไม่พ่อไม่เอาแล้วสา ห, าหัสมากไม่หยุดแค่นั้นนะท่นานฮะเดี๋ยวเอาคันใหม่ดีกว่านี้ไปเลยต่อไปได้คันอย่างใหญ่เลยเป็นป่าวา น, นียุ่งไหมโหยุ่งมากเลยแบกยุ่งเลยนะ โอ้โหต่นี้เตะโชทัทานาแรงกว่าเดิมอีกแต่เนี้ยโอ้โยเล่นแต่ละทีอ่ะเขาบอกกินอาหารเนี่ยาสัตว์เป็นวัลตันกว่ากินอาหารวัลตันอ่ะโอ้โหแต่นี้หนักกว่าเดิมเลยแต่เนี้ยทำกรรมขนาดหนักเลยที่โยมสมยยัยนี้เจ้าไม่ใช่วิ่งไม่ได้ฟังว่าทำเขาถึงบอกไงปุถุชนไงเขาปุถุชนเนี่ยปุถุชนเขาเขาเขาจึงแยกเป็นสองเใช่ไหม เป็นเป็นอันธาปุถุชนกับกัลยาณบุถุชนใช่ไหมเขาต้องแยกเป็นสองไงโยมอันธาปุถุชนก็แปลว่าบุคคลใดไม่เรียนไม่ไม่ทรงจำใช่ไหมไม่สอบถามไม่พิจารณาขันอายตนาาจจะธาสจ้าอินรีปฏิจจะปุถุชนนั้นเรียกว่าอันธาปุถุชนแต่ว่าปุถุชนผู้มืดบอด นีม่มีอย่างหนึ่งส่วนปุถุชนใดมีการเรียนการฟังการทรงจำการสอบถามการพิจารณาขันในยตนาธาสัจจะอินทรีปฏิจจะปุถุชนนั้นเขาเรียกว่ากัลยาณปุถุชนเขาเรียกปุถุชนที่เป็นคนดีที่ไม่ใช่คนมืดบอดนะมันก็แยกเป็นสองัแต่ก่อนเราไม่ได้ฟัง เราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ทรงจําเราไม่ได้พิจารณาขนันในยตนาธาแต่ก่อนเราก็เป็นบุรุชนเหมือนกันเขาเรียกอันทาบุรุชนแต่อย่าไปว่าคนอืน่นนั่นในสูตรเขาเป็นแบบนี้เขาแยกเป็นสองประเภทเนีนนะ้เป็นอันทา้าบุรุชนกับกาลยานะบุรุชนเราก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นกาลยานะบุรุษชนได้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่พัฒนายุ่งเลยยุ่งเลยพ้องเป็นปอันทาบุรุชนต่อไปมันจะหนักข้ออไม่มีไม่มีเงินเรียน ไม่รู้เรื่องเลยว่าพิสูจน์เพราะเพราะเราไม่มีสูตรในการพิจารณาใช่ไหมไม่มีสูตรการพิจารณาเนี่ยตรงเนี้ยท่านถึงบอกว่าผัสสะใช่ไหมด้วยสามารถแห่งผัสสะที่นั้นผัสสะก็เป็นผัสสะนุปัสนาด้วยสามารถแห่งเวทนาก็คือเวทนานุปัสนาด้วยสามารถแห่งวิญญาณวงเล็บก็คือจิตจิตในที่นั้นก็คือจิตตานุปัสนาในที่นี้พระองค์เอาอะไรแสดงก่อนเอาเวทนานุปัสนา พระเวทนานในนี้ที่พระ อ, องค์บอกว่าปรากฏชัดมันฝังใจนะอารูปกรรมฐานสามอย่างนั้นเมื่อพระโยคาวจรพิจารณารูปกรรมฐานโดยสังเขปโดยพิสดารขณะที่จิตและแจสิกนั้นตกไปในรมนั้นครั้งแรกภาษาอันกระทบซึ่งอารมณ์นั้นปรากฏแก่พระโยคาวจรบางรูปเวทนาเมื่อเกิดขึ้นสวยรมนั้นจะปรากฏแค่พระโยคาวจรบางรูปวิญญาณรู้แจงอารมณ์นั้นย่อมปรากฏแค่พระโยคาวจรบางรูปแสดงเห็นชัดว่างไงก็คือว่า บางรูปเนี่ยกาหนดภาษาเป็นชัดพระพุทธเจ้าก็สอนภ า, น ษ, าษานะุปัสสนาสติสติปัฏฐานนะคือสติปัฏฐานเนี่ยจริงๆที่เรามาเรียนกันที่ว่าโดยสี่เน้นว่าโดยโดยโดยหลักใหญ่ๆแต่ยังไม่ได้แยกเนาะยังไม่ได้แยกเข้าใจะโยมสมานเนะี่ยแต่เราจะเรียกไงเรียกภาษานุปัสนาสติปัฏฐานได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ภาสานุปัสนาสติปัฏฐานเรียกได้ไหม <unlucky S 2> ได้ไหมได้เห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วได้ถ้าไม่เข้าใจเรียกไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันเจริญได้จริงด้วยภาษานุปบสนาสติปัฏฐานได้เวทนานุัสนาสติปัฏฐานก็ได้ภาษานุปบสนาสติปัฏฐานก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละใช่ไหยใช่ไหมคือศัพท์เนี่ยแล้วแต่จะใช้ยกหน่อยยกอย่างเช่นธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็พิจารณาขันห้า พิจารณาลู่ประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันภาษาเป็นสังขารขันไหมเปลี่ยนนิดไหมนี่นจะไปเรียกว่าผัสสานุปัสนาสติปัฏฐานเจตนานุปัสนาสติปัฏฐานสัญญานุปัสนาสติปัฏฐานได้เงี้ยเนี่ยแต่ให้เข้าใจเหอะใช่ไหมขอให้ท่านมันใครใครเป็นคนเรียกแล้วใครเป็นคนเข้าใจแต่เรียกโดยย่อเลยเอ่ ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานคือพิจมวนนี่คือพิจารณาขันจบแค่ดีพิจารณาขันแต่มันบรรดาขันเนี่ยที่ปรากฏแก่สัตว์โลกเนี่ยมันชัดอะไรอ่ะบางคนนี่ภาษาเขาชัดบางท่านเนี่ยเวท น, นาชัดบางท่านเนี่จิตตานุปัสนานี่ชัดนี่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยสี่สี่หลักนเนี่ยนะก็ก็แตกตา่างฉะนั้นเมื่อเมือม่อเมื่อภาษาภาษาปรากฏแก่เขาเนี่ย จะให้เขากำหนดเวทนามันก็ไม่ใช่อธัธยาสัยของเขาเห็นไหมอย่างเราไปบล็อกเขาได้งไงว่าวี่ไม่เอ้องเห็นไหมคุณเอาเวทนาไปก็มันไม่ชัดเนะี่ยก็เขาไม่เห็นเห็นไหมไอ้คนไปดูเรื่องแต่เรื่องเนี่ยดูไอ้ตรงนั้นมันไม่ประทับใจเขาอีกคนนึงวันนี้ดิตรงจุดเนี้ประทับใจเขาเขาบอกไม่ผมไปจุดเนี้ย พระเจ้าก็อนุโลมตามอัธยาศัยของศาสตแต่คุณกําหนดให้มันให้ตลอดสายเหอะเช่นอาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณการประชุมต้องทำสามประการเป็นภาษาเนี่ยเออจากขู่สัมผัสคุณชัดไหมโสตสัมผั ส, สาาชัดไหมภาษาทางหูภาษาทางจ ม, มูกชัดไหมภาษาทางลิ้นหนังชัดไหมภาษาทางกายชัดไหมเอาหลับตานึ้อคิดภาษาทางใจชัดไหมถ้าชัดแกคุณนี่คุณจเจริญภาษาอุปสรนาสติปัฏฐานเลย นี่แบ น, นี้ใช่ไหมเพราะภาษาเป็นตลอดสายได้ไหมภาษามีปัจจัยไหมเป็นธรรมที่เกิดปัจจัยมมีภาษามีอายตนะไหมจากตาคุณจะบอกลินกายใจไหมสรายาตนะหกภาษานั้นมีอายตนะหกเป็นปัจจัยโอ้ธรรมทุกอย่างมีปัจจัยนี่อายตนะก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีสังขารสังขารก็มีอวิชชา อาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะอายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะถึงว่าเป็นปัจจัยแก่วิธนาโอ้เห็นเห็นปัจจัยของนามรูปแล้วเนี่ยก็เห็นเหตุผลอยู่จะเห็นเหตุเป็นปัจจัยเลยนี่เขาเรียกปัจจยญาิภริยาญาณเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ให้ดีเนี่ยเป็นจุลสดาบันเนอ่ยเป็นจุลสดาบันเนีย คนที่สามารถไล่ในทะลุทะลวงอย่างเงี้ยพบต่อไปไม่ตกอุบายภูมินะได้หนึ่งชาตินะไม่ใชจุราโสดาบันก็หมายถึงคนที่เจริญแล้วไข้ควรจนเห็นชัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ท่องใหม่ๆนะไม่ใช่ท่องใหม่ๆแต่ว่าเขาไข้ควรจนเขาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเขานำรูปจริงๆเอาสนี่เป็นใช่ไหมถ้ากําหนดในรับอะไรอย่างนี้เขาบอกเออแต่นี้เขาเรียกว่า เขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วมองได้ตลอดสายไม่ใช่มองอยู่แค่ตรงนี้แต่เป้าไม่ชัดเลยเนี่ยเป้าหมายไม่ชัดเลยนี่ไม่ได้แล้วเป้าหมายต้องชัดถามอาจารย์ถ้าองตเดียวไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยประกอบด้วใช่ก็เหมือนเราบอกว่าเออถามว่าทําไมเนี่ยคุณถึงเกิดมาเนี่ยเอ้าเราก็ไล่ยาวเลยใช่ไหมเราต้องรู้เหตุผลเชื่อมโยงลงมาได้ไงไม่ใช่อยู่ๆคุณพวดขึ้นมาไม่มีพ่อแม่แล้วไม่ได้ใช่ไหมไม่ นันเลยอย่างนี้จริงๆก็คือว่าสภาวธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างเนี้ยลำดับแรกหนึ่งต้องรู้จักตั ว, ต ว, ตวให้ชัดก่อนเช่นผัสสะเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติดกระทบอารมณ์เนี่ต้องชัดเวทนาเป็นธรรมชาติชนิดทำสภาวธรรมชนิดหนึ่งคือสวยรดแห่งอารมณ์เนี่ยสุขทุกแล้วก็ทุกขมรสุขเนี่ยเกิดทางว่าเราสุ ข, ขเวทนาทุก ข, ขเวทนาใช่ไหมสุขทางกายทุกทางกายก็มีโสมนัตทางใจโทมณัตทางใจก็มี แ้วก็อุเวขาสรุปแล้วเวทนาสามเวทนาห้าเนี่ยว่าโดยเหตุการ์สวยอารมณมีสามนะว่าโดยประเภทอินทรีย์คือความเป็นใหญ่นี่เป็นห้านะอะไรเงี้นะแล้วก็เริ่มจะรู้เนี่ยพอรู้้เวทนาเป็นธรรมที่มีปัจจัยไหมยอามีเวทนามีภาษาเป็นปัจจั ย, ยนี่นะอันนี้ปัจจุบันนะแต่ถ้าเวทนาเนี่ยได้ดีเลยเวทนาในปัจจุบันมีอะไรมีเอาวิชาตัรหากรรมใน้ดีเป็นปัจจัยแล้วภาษาในปัจจุบันนี่เป็นปัจจัยของเวทนาเนี่ยแล้วก็วิปรินามะ นี่พฏิลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นของเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาในอดีตก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาหลังๆได้ใช่ไหมทำไมจะไม่ได้อแล้วเวทนาหลายๆเวทนานะทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาได้ไ้มได้ไหมทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาในพระสมมาบัติได้ไหมได้ไม่ได้อทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาในพระสมาบัติได้ไหม ได้ไหมเอายกตัวอย่างเงียบเลยได้ไหมเอีอย่าอธิบายฟังอยู่ไหมเอางี้ทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาของของพระเทวราทั้งหลายอในอดีตเนี่ยโอยท่านทุกทรมานมากใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างพระมหาบุรุษของเราเนี่ยโอ้ยเป็นทุกขละกิริยาเนี่ย6ปีจนว่าไม่กินอาหาร จนพร้อมจะลูบไปในขนหลุดเหลือแต่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกลุกขึ้นลมเซถามว่าทุกขเวทนาไหมเนี่ยนะทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและอยู่ต่อมาอาศัยทุกขเวทนานะั้นต่อมาสติสัมปชัญญะกลับคืนด้วยวิมารด้วยอํานาจอะไรวิบากกรรมก็หมดอย่งอาคุโศลกรรมที่คอยตัดรอนก็หมดเพราะว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยประเภทปัญญาบารมีมากคนที่ปัญญามากเนี่ยตัดสินปู๊บอกเลยไหม ทีนี้อาการเหตงการจะบรรลุมันยังไม่ถึงนั่นส่วนหนึ่งอกุศลกรรมที่ยังไม่ได้โอกาสก็ได้โอกาสเล่นงานเลยตูมเลยหลงทิศหลงทางอยู่หกปีเนี่ยนะต่อมาพอบา ร, รมีมันเต็มไม่ขอใครครับมันบา ร, รมีเต็มเ น, นะบา ร, ร, ร, รมีท่านเต็มเลยนะพอบา ร, รมีเต็มเปี่ยมปุ๊บท่านได้แทงตลอดเพราแทงตลอดไปเบสิสแล้วท่านได้บรรลุใช่ไหมในปัจฉิมมายาห่งวันวิสาขาวันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลอุรุเวลาเนี่ยพอท่านในตัสรุนุตตะาสัมมาสัมโพธิญาณปุ๊บในสั ป, ปดาห์แรกท่านสวยมิติสุขสุขในในผลเน่ะพระลสมาบัติที่ท่านเข้าอยู่เจ็ดวันเนี่ยนั่นไงทุกขเวทนาในอดีตของท่านนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยทําให้เป็นปจัปนปจจัยทําให้ท่านได้พระราสมาบัติชั้นสูงอนี่ใช่ไหมทุกขเวทนาแท้ๆมันเป็นปัจจัยแก่พระราสมาบัติของท่านได้นี่เราก็มานั่งคิดเนาะ แล้วทกเวทนาของเราในอดีตเนี่ยถ้าทําะไรจะเป็นปัจจัยกับวิปัสสนาสุขได้ไหมได้ไม่ได้ทกเวทนาเนี่ยอดีตที่เป็นทกเวทนาทั้งหลายใช่ไหมสุขเวททกเวทนาทางกายทกเวทนาทางใจที่โกลด์พื้นน้อยมากมายเหลือเกินเนี่ยเป็นตำนานใช่ไหมแล้วก็มาไขขวดไอ้ทกเวทนาเนี่ยใช่ไหมเวทนาเป็นธรรมที่มีปัจเวทนาเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งแล้วก็มาไขควดแล้วเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติได้มไหม เ, เป็นได้ ก็เอาเวทนานั่นแหละมาไขาควรมาพิจารณาเมื่อเอาเวทนานั้นมาไขาควรวมาพิจารณาเมื่สติก็ไปตั้งใช่ไหมสติก็ตามและลึกได้ธรรมชาติต้องสติและลึกได้และตามลึกได้แล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงลืมโดยใช่ไหมมีอะไรเป็นะมีอะไรเป็นบระ ฐ, ฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้สติอะ่ะมีสัญญาส่วนหนึ่งถ้าสติโดยทั่วทไปใช่ไหมถ้าสติประธานก็มีไงเวทนานีไ่ไงเวทนา น, น, านี่ปรสนาไงไอ้เวทนานเจตสิกนี่แหละ ไอ้ตัวทุกขเวทนาทางกายก็ดีทุกขเวทนาทางใจก็ดีหรือสุขเวทนาทางกายก็ดีสุขเวทนาทางใจก็ดีหรือเบิกาก็ดีเลยนะในเวทนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตาเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณะปัจจัยแก่สติได้แปลว่าอะไรเวทนาอยู่ในฐานะเป็นที่เป็นที่ให้สติเข้าไปอาศัยอาศัยในฐานะลึกเนะเออเหมือนละลายดี อ่าเหมือนคอกวัวคอกม้าเป็นที่อาศัยของม้าใช่ไหมเวทนาจะเป็นที่อาศัยของสติได้หรือไม่เวทนาที่ดับไปแล้วเนี่ยดันใช่ไหมก็เอาเวทนาก็สติก็ตามระลึกถึงเวทนาที่เคยเกิดในก่อก่อนเนะ่ยตามระลึกนั่นก็สติเป็นที่ตั้งเสตินั้นเข้าไปตั้งโดยการเข้าไปตามระลึกถึงเวทนาที่เคยเกิดเห็นไ่มก็ เ, เวทนาเนี่ยมามาระ ล, ลึกบ่อยๆ ระลึกบ่อยๆตามระลึกบ่อยๆทำไมต้องระลึกบ่อยๆเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่อานุปัสนาคือปัญญาที่เกิดร่วมกับเขาใช้ความเพียรช่วยใช้สติตามระลึกบ่อยๆใช่ไหมระลึกปะ่ะเอาเอาเวทนามาวิจัยมาระลึกพอตัววิปัสนาปัญญาเกิดเริ่มแนละ้เริ่มไปวิจัยตัวเวทนาแนละ้วโอ้เห็นอลไรนะียเวทนาเนี่ยลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไร ใช่ไ um หมกิจของเวทนาเป็นอย่างไรอาการปรากฏของเวทนาเป็นอย่างไรเหตุใกล้ของเวทนาเป็นอย่างไรนี่เริ่มดูลักนี่เขาเรียกดูรู้จักปัจจตลักษณะของเวทนาเนยใช่ไหมรู้จักตัวเวทนารู้จักว่าเวทนาก็ทํากิจอะไรกิจในการสวยรดข้ออารมณ์เนี่ยเนอะรู้จักว่าผลปรากฏของเวทนาเนี่มันให้ความสุขความทุกข์ทางกายยังไงรู้จักเฉียดใกล้ของเวทนาเวทนามาจากภาษาส่วนหนึ่งเนอะ เวทนาอาศัยการกระจายนี่แหละมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาสอาศัยเดินป้าอากาศอะไรใช่ไหมมันก็าสายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีวัตถุเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่มีวัดถ์ไอ้นี้จกักขูสัมผัสสะเป็นต้นท้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มโอ้เวทนานี่มีปัจจัยนี้ไม่ใช่มีปัจจัยนะเริ่มไขคกวนนะนั้ะเขาวิจัยอย่างนี้ ร, รู้ป่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นงานวิจัยไปนั่งเฉยแต่ไม่ยอม เฉยๆได้แต่มันต้องสติต้องทํางานปัญญาต้องทํางานความเพียรต้องทํางานใช่ไหมสุขมอ่ะการพิจารณาเวทนาสุขไหมพิจารณาทุกขเวทนามีสุขไหมเป็นสุขไหมสุขหรือทุกโดนตีหัวตูมสุขไหยโอ้โหปูดขึ้นมาเลยนะแล้วจเจริญสติปัฏฐานเนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขทิ้งเลยวิปัสสนาเนี่ย เ, เดี๋ยวเ ม, ม, มื่อเมื่อคืนมี มีคนก bon oh, yeah, ็โทรมาก็บอกว่าเออเขาจะให้ไปบรรยายบรรยายเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมก็ถามว่าท่านบรรยายที่อะที่พุทธโลกเพื่ยอะไรแมาว่าเออเดี๋ยวดูก่อนระวางก็ว่าังก็ระวังบางค่อยคุยกันอะเขาบอกว่าเออการการความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมอะไรเขาบอกว่าเอเอมัน มันจะได้ความสุขยังไงก็ถามมาแล้วมันอาตมาโ อ, โอ้ให้ทานมันก็สุขใช่ไหมศีลมันก็สุขถ้าให้ให้ทานเนี่ยมันให้ด้วยอะไรมากุศลณมากุศลมีสองเวทนาสุกเกษมสมณะกับอุเบกขาอุเบกขายิ่งยิ่งสุกละเอียดใหญ่เลยรักษาศีลก็สมณะกับอุเบกขาเจริญสมาธิก็สมนัะอุเบกขาเจริญวิปัสสนาก็สมณะกับอุเบกขา น้าตาใครจเจริญนิปัตสนานั่งร้องไ ห, ห้ผิดแล้วไม่ใช่แล้วฉะนั้นวิปัสนาไม่มีทุกขไม่มีทุกหรอกแต่เอาทุกเป็นอรนารมณปัจจัยแก่ตัววิปัสนาได้ตัววิปัสนาไม่ทุกหรอกแต่วิปัสนาไปเห็นทุกเพื่อไปเห็นของจริงแต่ไม่ทุกพญายอมนะไปเห็นของจริงไปวิจัยของจริงเข้าถึงความจริงแต่ใจไม่เป็นทุกถ้าใจเป็นทุก เป็นโทมานต์เป็นโทสะไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่โทมานต์เวทนาเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรเจริญเข้าใจยังไอ้โทมานต์เวทนาเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ต้องกําหนดรู้ทั้งปัจจตาตลักษณะและก็สามัญลักษณะของเขาให้ได้คือลักษณะที่เสมอการ ก, กับสังขารื่องหวงคือม่เที่ยงเป็นตัวเป็นหานตาเนี่ย ฉะนั้นคนเจริญวิปัสสนานี่นะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยจะไม่ทุกข์เลยเแปลกอยู่ในท่ามกลางาของความทุกข์แต่เขาไม่เป็นทุกข์ประหลาดไหมแต่ก่อนเรานึกว่าโอ้โหเห็นทุกข์นี่ก็ดีไหมมันมันมันน่าจะเศร้าใจอย่างเยอะไม่ไดะแต่ที่ไหนได้เขากลับมีสุขอ่ะไม่ตอนเจ็บปวดเนี่ยตอนความทุกข์ความทุกข์กายเกิดขึ้นนี่เอาก็เป็นปกติเนาะถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่วิปัสสนาน แต่ถ้าวิปัสนาต้องไปเอาความทุกข์กายหรือทุกข์ใจมาเป็นอารมณ์นั่นต่างกันนะจริงอยู่ตอนที่เราเผลอกายเผลอใจเนี่ยนะร้องโอยๆไปนั่นไม่ใช่วิปัสนานะแต่พอวิปัสนาเกิดขึ้นได้ตัววิปัสนาจะเอาความทุกข์มาวิจัยมาวิจัยแล้วก็เข้าถึงความจริงเนาะย้อนหลังมองออกไหมงั้นวิปัสนาที่เราเข้าใจกันแต่ก่อนว่าต้องไปนั่งเคร่งเคียดใช่ไหม ต้องไปนั่งเคร่งๆงแล้วไปนั่งเครียดแล้วต้องไม่ต้องประเภทที่ทำหน้าตาเหมือนคนอีกอยู่อีกโลกหนึ่งเนี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละแต่ที่เขาเก็บเออเขาหลีกเล่นอะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเขาเขาต้องการที่จะ